บทที่94แม่เชิญศีเมื่อพระเจริญกลับมาอยูย่วัดพรหมบุรีนั้นการสร้างบทเสร็จสิ้นลงแล้วท่านสมภารเล่า ว, ว่า พวกชาวบ้านพากันมาช่วยทุกวันนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนโรงเรียนวัดพรมบุรีซึ่งครูจะเกณฑ์นักเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 ไปช่วยกันขนอิดจากท่าเรือมายังวัดเด็กโตจะขนเที่ยวละห7ถึงก้อนส่วนเด็กเล็กเที่ยวละสองถึงสก้อนเด็กเล็กบางคนอยากได้บุญมาก ก็ขนครั้งละหลายก้อนเท่าท่ากับเด็กโตพวกเด็กนักเรียนไม่มีเงินทำบุญเหมือนพวกผู้ใหญ่จึงเอาแรงกายเข้าช่วยเพื่อจะได้บุญอย่างผู้ใหญ่บ้างเย็นวันหนึง่งขณะที่พระเจริญกำลังสงน้ำอยู่ข้างๆกุฏิของท่านลูกศิษย์ท่านสมพานก็มาแจ้งว่าหลวงพี่ท่านสมพานให้ไปพบที่กุฏิหน่อย ด่วนหรือเปล่าท่านถามก็คงด่วนแหละแต่คงไม่ด่วนถึงกับต้องไปทั้งเปียกเปียกอย่างนี้หรอกเอาไว้นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วค่อยไปนะครับผมไปละเด็กหนุ่มกลับไปได้สักพักพระเจริญก็ส่งน้ําเสร็จท่านจัดการนุ่งห่มผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปที่กุฏิท่านสมภาร หลวงพ่อเรียกหาผมเหรอครับท่านถามเมื่อกราบสามหนแล้วถูกแล้วมีธุระจะไหว้วานหน่อยเห็นว่าเธอใช้กล้องดีก็เลยต้องเรียกหาเธอรูปอื่นน่ะไม่ค่อยจะรูปประสีประษาเวลาใช้ใครหลวงพ่อชอบจะชมรูปนั้นและตำหนิรูปอื่นพระหนุ่มรู้นิสัยท่านดี แลกไม่ได้ถือสาหลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรเหรอครับถามตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นท่านสมภารจะต้องอารมพบทอีกนานคืออย่างนี้กำนันสร้างเขาตายญาติเขาก็มาขอทำศพมาเผาวัดนี้แต่เรายังไม่มีเมนเผาผี เลยจะให้เธอไปเช่าเมนที่หัวเวียงศพคนใหญ่คนโตต้องเผาที่เมนจะเผาในป่าช้าอย่างศพชาวบ้านก็จะหาว่าไม่ให้เกียรติเขาคงไม่ว่ากระมังครับคนตายไปแล้วคงไม่ลุกขึ้นมาว่าสมพานแน่นอนพระหนุ่มแสงทําเป็นซื่อเพราะไม่อยากไปฉันหมายถึงญาติพี่น้องเขา คนตายนะะเขาไม่ว่าแน่เธอช่วยไปหาเมนเผาหน่อยนะจะได้ไปเช่าบ้านแพนหรือว่าหัวเวียงก็ได้ผมไม่เคยไปทั้งบ้านแพนทั้งหัวเวียงและจะไปถูกละครับเรื่องนั้นไม่สำคัญฉันจะบอกทางให้พรุ่งนี้ตอนเช้าเดินทางเลยนะ ให้ผมไปคนเดียวหรอครับน่าจะมีลูกศิษย์ไปด้วยพระต่อรองจะไปทำไมให้เปลืองค่าเรือเธอไปคนเดียวก็ดีแล้วฉันจะส่งค่าเรือมาให้ถ้าเช่นนั้นผมจะจ่ายส่วนของลูกศิษย์ผมอยากมีเพื่อนไปด้วยเพราะผมขอลูกศิษย์หลวงพ่อไปด้วยนักครับไม่ได้หรอก ฉันมีงานสําคัญต้องใช้เขาถ้าเธออยากมีเพื่อนก็ไปหาเอาเองหลวงพ่อชอบพูดายเปียงเพราะไม่อยากให้สิ้นเปลืองรุ่งเช้าพระเจริญจะต้องเดินทางแต่ผู้เดียวเพราะหาเพื่อนไม่ได้ท่านสมพานให้ค่าเรือยี่สิบบาทและบอกให้ท่านนั่งเรือไปลงที่ผักไห่จากผักไหยจึงว่าเรือจ้างไปส่งที่หัวเวียง ซึ่งมีเรือรับจ้างผักไห่ที่หัวเวียงหลายลำพระหนุ่มต้องงดการไปบินธบาทเพราะจะต้องออกจากวัดตั้งแต่ตีห้าท่านเดินไปขึ้นเรือโดยสารที่ท่าน้ำพรหมบุรีบังเอิญเจ้าของเรือรู้จักกันท่านจึงไม่เก็บค่าโดยสารเรือแล่นไปเรื่อยๆจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วย จะถึงผักไหตตอนสามโมงเย็นลงจากเรือและอนุโมทนาเจ้าของเรือแล้วท่านจึงเดินไปถามหาเรือหางยาวที่จะไปบ้านหัวเวียงหลวงพี่จะไปทำอะไรที่นั่นเจ้าของเรือหางยาวถามจะไปหาเช่าเมร์เขาว่าที่นั่นมีเมรเผาศพให้เช่าใช่ไหมครับมีเยอะแยะผมรู้จักบ้านในสงา เขาเป็นเจ้าของเมนอยู่หัวเวียงมีเมน ร, ร่วมสิบหลังไว้ให้เช่ามีไฟประดับตกแต่งให้เสร็จท่านเลือกดูได้เขารับจ้างตั้งแต่เมนด้วยเจ้าของเรือบอก ถ้าไปส่งที่นั่นเอาเท่าไรย่สิบบาทไปกลับขอห้าสิบเขาบอกสนนราคาทำไมต้องห้าสิบไปกลับก็4ี่สิหรือไม่ก็ลดเป็นส5หอ้าวก็เวลาท่านไปถามกว่าจะตกลงผมต้องเสียเวลาคอยขออีกสิบบาทค่าเสียเวลา 40บาทไม่ได้หรือท่านต่อรองห0สิบาทขาดตัวไม่ได้ราคานี้ผมก็ไม่ไปเขาถือโอกาสโกงราคาเพราะเหลือเรืออยู่ลำเดียวหากท่านจะรอลำอื่นก็คงอีกนานไปก็ไปพระหนมตัดสินใจและจึงก้าวลงไปนั่งในเรือเจ้าของติดเครื่องเรือ และพาเรือออกจากท่ามุ่งหน้าไปยังบ้านหัวเวียงซึ่งเขาเคยไปส่งผู้โดยสารหลายครั้งกระทั่งมีคู่รักไว้ที่นั่นคนหนึ่งสี่โมงเช้ากับสสิบนาทีเรือหางยาวก็นำพระหนุ่มมาถึงบ้านหลังใหญ่ริมน้ำมีโรงสีอยู่ติดกับตัวบ้านและมีสะพานทอดไปสู่ท่าน้ำบ้านทาสีเขียวดูสวยงาม เจ้าของเรือบอกท่านว่านี่แหละบ้านในสง่าที่ให้เช่าเมนและติดตั้งให้ด้วยท่านไปถางเขาสิพระเจริญจึงลงจากเรือเดินไปตามสะพานเพื่อเข้าบ้านเสียงคนขับเรือตะโกนโบกเวกให้หลังท่านฟังไม่ได้ถนัดว่าเขาพูดว่าอะไรแท้จริงเจ้าของเรือ เห็นเป็นโอกาสที่จะไปเที่ยวบ้านสาวคนรักจินตโกนบอกท่านว่าท่านรออยู่ที่นี่นะอีกชั่วโมงผมจะมารับพระหนุ่มหันกลับไปเพื่อจะถามว่าพูดอะไรทว่าชายหนุ่มขับเรือออกไปเสียแล้วท่าทางเร่งรีบยังกะจะไปตามหมอตําแยมาทำคลอดให้คนกำลังปวดท้องออกลูปเห็นท่านเดินตรงมา คนในบ้านก็พากันกรูออกมาต้อนรับเราว่ากําลังคอยท่านอยู่มีทั้งคนสาวคนกลางและคนแก่ปากก็ว่านิมนต์ครับนิมนเจ้าค่ะทุกคนมีท่าทางดีอกดีใจและต้อนรับขับซู้เหมือนกับว่าคุ้นเคยกันมานานเมื่อจะเข้ามาในบ้านเขาก็ตั้งน้ำล้างเท้าให้ท่าน มีผ้าขนหนูสีขาวสะอาดวางไว้สำหรับให้เช็ดเท้าท่านรู้สึกประทรับใจในการต้อนรับหากก็สงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นครั้นเดินมาที่บ้านเขาก็นิมนต์ให้นั่งมีอาสนะปูไว้เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีสำรับกับข้าวบรรจุอยู่ในโต๊มีปั้มน้ำร้อนน้ำชาครบครัน เหมือนว่าจัดเตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะความสงสัยมีมากเกินกว่าจะเก็บไว้ในใจจึงต้องถามขึ้นว่าอะไรกันนี่คงไม่ใช่อาตมานะท่านเฉยๆเถอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้พวกผมรับศีลก่อนใช้ไว้สี่สิบเศษพูดและบอกทุกคนณที่นั้นว่าอา้าวรัตนาศีลพร้อมกัน เดี๋ยวท่านให้ศีลด้วยนะประโยคหลังก็สั่งพระเจริญบุรุษนั้นพูดจบเสียงอรัธนาศีลก็ดังขึ้นพร้อมกันเมื่อพวกเขาอรัธนาศีลจบท่านจึงจำต้องให้ศีลทั้งที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารับศีลจบก็กราวคำถวายสังฆทานและถวายพระทหาร เสร็จแล้วจึงนิมนต์ท่านฉันสตรีอวุโสกว่าเพื่อนกล่าวว่านิมนต์ท่านฉันเพลนตามสบายเจ้าค่ะและลูกชายดิฉันจะเล่าถวายเรื่องว่ามันไปยังไงไมายังไงอาหารที่เขาจัดไว้อย่างประณีตมีสีสันสวยงามน่ารับประทานและแม้จะหิวมากหากพระนงยังฉันไม่ลง ท่านคิดว่าเขาคงจัดเตรียมไว้ให้พระรูปอื่นที่ได้นิมนต์ไว้บังเอิญพระรูปนั้นไม่มาจึงโมทนาถวายท่านเพราะได้เวลาฉันเพนพอดีเมื่อเขาไม่ได้เจอะจงเฉพาะท่านเหตุใดท่านจะไปฉันของเขาคิดดังนี้ท่านก็รวบช้อนหลังจากฉันไปเพียงสองคำอาหารไม่ถูกปากรกระครับ ท่านจึงฉันไม่ลงบุรุษคนเดิมถามฉันอีกสักหน่อยเถอะค่ะประเดี๋ยวท่านจะหิวหญิงสาวหน้าตาสวยขยันขยอให้ท่านฉันดูเหมือนหล่อนจะอายุน้อยกว่าทุกคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้และคงน้อยกว่าท่านด้วยไม่เป็นไรเรื่องหิวอัตมาพอทนได้แต่เรื่องสงสัยเนี่ยมันอึดอัดขัดใจเกิน ช่วยเล่าให้อัตมาฟังหน่อยเถอะตกลงครับบุรุษคนเดิมพูดและจึงแนะนำบิดามารดาน้องชายน้องสาวที่ท่านรู้จักเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะน้องสาวคนเล็กของผมนี้เขาชี้มาที่สตรีอายุน้อยที่สุดซึ่งได้แนะนำตัวแล้วหล่อนชื่อเจริญศรีโยมทำบุญเรื่องอะไรกันไม่ใช่อัตมานะ อาตามา จ, จะมาหาเช่าเมนที่บ้านนายสงาใช่ไหมทุกคนดูเหมือนจะร้องขึ้นพร้อมกันว่าอุ๊ยไม่ใช่บ้านนายสงาถัดไปอีกห้าหลังท่านลงผิดบ้านแล้วแต่ก็แปลกที่ท่านมาสี่โมงครึ่งรมกับที่น้องสาวผมโนตไว้พอดีเขาต้องการพูดคำว่าโน้ตนตอะไรพระหนุ่มไม่เข้าใจ คือน้องสาวผมเขาจดไว้นะครับว่าวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 9 8เวลาสี่โมงครึ่งตอนเช้าจะมีพระลูกชายของเขามาที่บ้านให้เตรียมสำหรับกับข้าวไว้ต้อนรับและท่านจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยพวกผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ยิ่งฟังโยมพูดอาตมาก็ยิ่งงงเกิดอะไรขึ้นหนอผมนั่งงงยิ่งกว่าท่านอีกครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนผมคงคิดว่าตัวเองฝันไปเอาละผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะได้หายงงหรือไม่ก็งงหนักขึ้นและบุรุษนั้นจึงเล่าว่าคือแม่เชิญสีน้องสาวผมคนนี้เขาฝัน ท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับฟังผมเล่าให้จบก่อนเพราะผมเองก็เคยคิดอย่างนี้แต่พอท่านมาผมก็ชักจะเชื่อว่ามันไม่จริงอย่างที่แม่เชิญสีเข้าฝันบุรุษวัยห้าสิบเศษเล่าด้วยเสียงดังฟังชัดทุกคนณที่นั้นต่างฟังอย่างตั้งอกตั้งใจภิกสุหนุ่มปรายตาไปมองหญิงสาวแว บ, บหนึ่ง และถามว่าโยมเขาฝันว่ายังไงหรือพี่ชายนางสาวเจริญศรีตอบบ่าคือมันเป็นเรื่องที่เขานั่งสมาธิแล้วฝันสามคืนติดตด ก, กันว่าตัวเขาเมื่ออดีตชาติเขาอยู่ที่อยุธยาเขามีลูกชายคนเดียวแล้วลูกชายของเขาคนนั้นก็ได้กําลังรบทัพจับศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยา น, านานแล้ว และลูกชายของเขาได้ตายในสนามรบเขาก็ร้องหยหร้องไห้ว่าอย่างนี้ว่าลูกชายเขาต้องจากไปบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ชีวิตของเขาด้วยความฝันฝันสามคืนกติดกันและในฝันนั้นเขาบอกว่าลูกผู้ชายกําลังรบทัพจับศึกแล้วก็โยนกลาบึกวิธีฆ่าลูกชายของเขา ถึงแก่ความตายเมื่อสมัยอายุทยาแตกทับในวันนั้นน่าแปลกที่พระนุ่มมีความรู้สึกเหมือนเรื่องที่กำลังฟังอยู่นั้นเป็นเรื่องราวของตัวท่านใจเคลือบเคลิมล่องลอยไปหาอดีต ท, ที่ดูเหมือนว่าผ่านมานานแสนนานรั้นรู้สึกตัวจึงกำหนดฟังหนอฟังหนอจนอยู่ในใจ เขานึกอย่างนี้สามคืนติดๆกันแล้วก็อีกคืนหนึ่งเข้าฝันว่าลูกชายเขาคนนั้นมาเป็นพระภิกษุบทในพระบวรพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนแล้วในวันนี้5กุมภาพันธ์2498เวลา4โมงครึ่งตอนเช้าลูกชายของเขาเมื่อครั้งอดิตชาติ จะมาฉันเพงที่บ้านถ้าหากว่ามีพระมาในเวลานั้นต้องเป็นลูกชายของเขาแน่ที่รบทับจับศึกและโดนกลศึกฆ่าตายในสนามรบขณะที่พี่ชายเล่านางสาวเชิญสีนั่งเงียบกริบน้ำตาซึมออกมาจากหน่วยตาทั้งสองเป็นน้ำตาแห่งความปิติยินดี ที่ได้พบลูกชายในอดีตชาติหลอนเชื่อซิยิ่งกว่าเชื่อที่พระพิสุรูปนี้เคยเป็นลูกชายแม่เชิญสีเขาก็สำนึกอยู่ตลอดเวลา ก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าดิฉันฝันอย่างนี้ผมก็ว่าเขาบอกว่าเองเนี่ยบ้าไม่เข้าเรื่องเข่าราวเป็นสาวเป็นแท่มาว่าตัวเองมีลูกและวเขาก็เชื่อมั่นของเขาอย่างนั้นเขาบอกต่อไปว่าแน่นอนเลิศเกินในวันที่ห้ากุมภาพันธ์นี้เตรียมทําอาหาร ถ้าพระองค์ไหนมาที่บ้านเราเวลาสี่โมงครึ่งต้องใช่แน่ต้องใช่ อ, ใอย่างแน่นอนเขาเชื่อมั่นของเขาเลือกเกินแล้วเขาก็บันทึกหลักฐานไว้ครบเล่าจบเขาจึงถามท่านว่าแล้วท่านไปยังไงไมายังไงล่ะครับถึงได้มาสี่โมงครึ่งพอดิบพอดีอัตมาก็ไม่รู้สมภารท่าน ใช้ให้มาหาเมนนี่มาผิดบ้านหรือช่วยเรียกเรือหงยาวให้หน่อยเถอะท่านคิดว่าคนขับเรือคงมารออยู่ที่ท่าน้ำยังไม่เห็นมีเรือมาจอดเลยครับไม่ต้องห่วงเขามาเมื่อไรค่อยออกไปหรือถ้าเขาไม่มาผมจะเอาเรือไปส่งเองท่านอยู่วัดไหนครับ อาตามาอยู่วัดพรมบุรีนนท์น่โดยสารเรือจากสิงห์บุรีมาลงที่ผักไห่จากนั้นก็ว่าจ้างเรือหางยาวมาส่งที่นี่คนขับเขาบอกว่านี่แหละบ้านนายสงาท่านนึกฉุนหนุ่มเจ้าของเรือที่ทำให้ท่านเสียแวล่ำเวลานายสงาเขาไม่อยู่ครับท่านเขาไปติดตั้งมเมนที่หัวเวียง เลยบ้านเข้าไปหลายกิโลมันก็น่าแปลกนะครับที่เหตุการณ์มันบังเอิญมาปฏิปต์ปต่อกันได้ผมชักสงสัยแล้วว่าเรื่องแม่เชิญสีฝันนะ่ะอาจจะเป็นจริงก็ได้ดิฉันก็เชื่อค่ะมารดาของนางพูดขึ้นส่วนบิดาไม่ออกความเห็นว่ากไรคงเป็นไปไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่เชื่อ ก็โยมก็ยังสาวและก็ยังไม่มีครอบครัวอาตมาจะเป็นลูกเขาได้ยังไงลูกแหนดีดชชาตนะเจ้าค่ะดิฉันมั่นใจอย่างนั้นนางสาวเชิญสีพูดทั้งน้ำตาตามใจโยมก็แล้วกันแต่อาตมาก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานดิฉันจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเจ้าค่ะหล่อนแยง้ง มันเป็นหลักฐานของโยมฝ่ายเดียวส่วนฝ่ายอาตมายังไม่มีอะไรที่พอจะเชื่อถือได้แต่เอาเถอะแล้วอาตมาจะพยายามหาหลักฐานคงไม่เกินความสามารถหรอกนะดิฉันจะขอไปกราบเยี่ยมท่านที่วัดพรมบุรีบ้างจะได้ไหมเจ้าคะดิฉันฝังใจเหลือเกินว่าท่านเป็นลูกดิฉันในอดีตชาติ เสียงที่พูดบ่งบอกถึงความเชื่อมัน่นเชิญเลยจ้ะจะไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานก็ได้อาตมาสอนอยู่ที่วัดตอนนี้มีคนมาเรียนร่วมสิบคนแล้วจากนั้นการสนทนาก็เปิดฉากขึ้นท่านรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับเขามานานไม่ว่าเขาจะซักถามเรื่องอะไรท่านก็ตอบไปเสียทุกเรื่อง จนพวกเขาเกิดศรัทธาคุยกันเพลินจนเวลาล่วงเลยไปถึงสี่โมงเย็นบิดาของนางสาวเชิญศรีก็ถามขึ้นว่าท่านครับมัคกคกีผลมีจริงหรือเปล่าครับผมเคยฟังพระเทศเรื่องเวสันดรชาดกบอกว่าป่าหิ ม, มพานมีมักคกีผลด้วยท่านคิดยังไงครับ ยังไม่ทันที่พระหนุ่มจะตอบคนขับเรือก็เดินมาตามสะพานชะโงกหน้าเข้ามาบอกท่านว่าหลวงพี่กลับเธอสี่โมงเย็นแล้วเอาไว้คุยกันวันหน้านะโยมเรื่องนี้มันยาวต้องพูดกันเป็นชั่วโมงอัตมากลับก่อนนะวันหลังท่านต้องมาอีกนะครับบุรุษสูงวัยพูดอย่างเสียดายแล้วทุกคนนะที่นั้น ก็พากันมาส่งท่านที่เรือนางสาวเชิญสีมีท่าทางอะไรอววรเพราะหล่อนเชื่อแน่นแฟนและเกินว่าภิกษุหนุ่มคือลูกชายของหล่อนในอดีตตะชาติ